กอความเจริญในธรรมทุงมีะท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลรพรปโพติญาณกำลังนำเสนอการบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้สัตรู้ก็มาถึงตอนที่กำลังประจนกับพยามานในเรื่องการประจนพยามาม น, นั้นในพระบาลีไรบิดกจริงๆ ได้ให้ข้อความไว้ไม่บิจิตพิดสนเดีแต่ว่าพระโบราณอาจารย์คืออาจารย์ในรุ่นก่อนเป็นพระอัตกตาอาจารย์บ้างปฏิกาอาจารย์บ้างได้รวบรวมเรียบเรียงเอาไว้เป็นฉากต้องการต่อสู้เป็นรูปการต่อสู้ของบุคคลที่มีตัวตนทั้งสองฝ่าย คือประโพธิสัตว์เองก็มีตัวตนพยมาณเองก็มีตัวตนหึือในนานข้อความเหล่านี้เป็นการบรรยายเป็นการพรรณนาเราอเป็นบูชาในการพูดการแสดงของพระโ บ, บราณอาจารย์อาจจะยิ่งหย่อนไปบ้างก็เป็นปกติธรรมดาแต่ว่า โดยเนื้อหาสาระนั้นแสดงถึงการต่อสู้ระหว่างเทวปุตตมานกับพระโพธิสัตว์ซึ่งไปยืนยันถึงสภาพจิตของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้สัตว์ว่าทรงบำเพ็ญเพียรมาจากานาปานาสติกรรมฐานผ่านสมาธิสามระดับแล้วก็บรรลุรูรปฌานอรูปฌาน แต่ว่าที่ตอนมาผจนมานั้นก็มาผจนอยู่ในช่วงที่ทรงออกจากสตุทเทชาติเพื่อจะยกสังขารขึ้นพปเจาตามกฎของปัสัยหลักแล้วก็เกิดมีปยามานมาผจนเป็นปัญหาที่มีการถูกเฉียงกันมาตลอดแล้วก็มีการพยายามอธิบายให้เห็นว่าปยามานที่มาผจนพระรพุทธเจ้าเป็นกิเลส เ ก, กิเลสสมานบ้างเป็นขันธ์ธมานบ้างก็แล้วแต่จะพูดวันในที่นี้จึงนําเสนอโดยค่อนข้างละเอียดเพื่อท่านผู้ฟังเห็นว่าคําว่ามารในความหมายพระพุทธศาสนานั้นมันกวบมันใหญ่ก็หมายถึงกิเลส ก, ก็ได้หมายถึงขันธ์ก็ได้หมายถึงบุญบาปก็ได้หมายถึงความตายก็ได้แล้วก็หมายถึงเทวปุถุมานก็ได้ ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงผู้มีอำนาจบาดใหญ่ทั้งหลายที่แสดงตัวเป็นมารของบุคคลก็ในสังคมก็เราในชีวิตของเราเราก็มีผู้ใหญ่ที่เป็นมารคอยเป็นอุปสรรคกัดขวางตัดรอนดิตรอนด้วยความดิสยาดด้วยความไม่พอใจด้วยความแข่แงแย่งแข่งดีอะไรก็ตามแต่มันแสดงให้เห็นว่าในโลกนี้มีมารครบทั้งห้าระดับไม่ว่าในยุคใดสมัยใด เพียงแต่ว่าการต่อสู้ในจุดตรงนั้นมันเป็นการต่อสู้กับมานประเภทไหนเป็นหลักและมานประเภทอื่นนั้นมีโอกาสที่จะเบียดแทรกเข้ามาได้ไหมแต่ในกรณีของพระโพธิสัตว์นั้นเรามีความชัดเจนนะฮะว่าในช่วงตรงนั้นเฉพาะขณะ น, นั้นเป็นการต่อสู้กับวสวรรค์มานโดยเฉพาะ เพราะไรเพราะว่ากิเลสมานนั้นได้ส ง, งบไว้ด้วยกําลังแห่งฌานทั้งสี่ประการแล้วแล้วก็อภิสังขารมานคือบุญคือบาปมันก็ส ง, งบลงไปเพราะว่าพระไตยอยู่ระดับอนเนญชาอภิสังขารมันเป็นมานเฉพาะที่จะขัดขวางการบรรลุมรรคผลด้านั้นเอง ในขันธรมานั้นมีสุขภาพกายสุขภาพะิถยเยี่ยมมากคือไม่มีปัญหาเรื่องขันธ์เพราะว่าพลังของสมาธิมันมีความสุขมันมีความสงบแล้วก็มีปีจิในช่วงตรงนั้นก็มีอุเบกขากับเอกกตาจึงหมายความว่าความสุขก็สสงบซึ่งก็หมายถึงว่าถุก็บสงบด้วย ใ น, นขณะดเดียวกันมัจจุมน์ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาตายเพราะว่าพระโพธิสัตว์เป็นนิยตตาโพธิัตว์คือจะต้องสัตรูเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเป็นปัจฉิมขวิกรสัตรที่ใครแม่อาจจะทําให้ตายก่อนที่จะสัตรูเป็นพระพุทธเจ้าได้เพรา ะ, ะจึงมีมารอยู่เพียงข้อเดียวคือวัสวุวติมารดังกล่าว ในข้อความช่วงที่ถกเถียงต่อสู้กันอยู่นี้ก็เป็นใจความก็คือว่าพยามาลได้ใช้อาวุธทุกอย่างก็เรียกว่า ร, ร, ะ, ระดมสักพิกำลังลงไปเพื่อจะประจุต่อต้านกับประโพธิสัตพ์ประชพธิสัตพ์ก็ใช้บารมีธรรมทั้งสิบประการเราเรียกว่าบารมีสามสิบทักษะ หรือความดีเป็นฐานของพระไทยที่ต่อสู้กับปัญหาประสักด์เหล่านั้นที่กำลังเผชิญอยู่ก็ เ, เป็นเรื่องของฌานปกแผ่บารมีธรรมปกแผ่เรื่องบุญญาธิการสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะทำอะไรแก่พระโพธิสัตว์ได้แล้วก็ปัญหาสำคัญว่า พยายามต้องการให้ประโพธิสัตว์ลุกจากอาสนะประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ที่ที่นั่งเราประเด็นสําคัญว่าส่งอธิษฐานพระไถ่ไปก่อนหน้านั้นว่าถ้าไม่ได้สัตรู้ด้วยความเพียรพยายามของโปร่งแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต า, ามจะไม่เสด็จลุกจากอาสนะตรงนั้นแสดงว่าการอธิษฐานคราวนั้นทําให้สัตรูก็คือตาย มันไม่มีประตูเลือกปลุกไปก่อนเถอะคอยพยายามใหม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้มันขาดศัจจ บ, บรรมีขาดอธิษฐานบรรมีขาดป ร, ริยะบรรมีขาดขันติ บ, บรรมีมันขาดไปเยอะเลยแล้วจะทำงานไม่สาเร็จหรอกคนที่ไม่มีพลังบรรมีแก่กล้ามากกว่าวันประโพธิสัตว์จึงไม่ลุกขึ้น และในที่สุดก็พยายามานท้าทายให้พระโพธิสัตว์พิสูจน์ว่ามีบารมีธรรมจริงหรือได้สร้างบารมีจริงหรือพระโพธิสัตว์ก็ได้แสดงให้เห็นว่าบารมีธรรมที่พระองค์งสร้างมานั้นไม่ต้องเอาไปไกลหรอกเอาขนาดชาติเดียวเท่านั้นเองคือชาติที่เป็นพระเวสสันดรแล้วก็ได้ ให้สัตตดกหมาทานหรือให้สิ่งของอย่างละ700เจ็ดร้อยนี่ยแม้หมาปัตตพีอนาทึบนี้แม้จะไม่มีจิตใจก็เป็นสกิริยานแกเราได้เราก็ทรงเยียดพระหัตในรูปของอธิษฐานชี้ลงโซนหน้าหมาปัตตพีพร้อมกับสัตว์ว่าในคราวที่เราดำรงอยู่ในอัแต่ภาพเป็นระเวสสันดรและได้ให้สัตดกหมาทาน ท่านเป็นสักขีพยานได้หรือไม่ขณะนั้นนั่นเองหมหาปัทภีซึ่งหนาหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นี่พันโยชน์ได้บรรลือขึ้นด้วยเสียงสนั่นวันไหวปานประเด็งจะท่วมทับผลมลดแต่ร้อยเสียงพันเสียงแสนเสียงว่าในการนั้นเราเป็นสักขีพยานท่านแต่นั้นประมาบุรุษทรงพิจารณาเห็นถึงทานที่ได้ให้ไว้เนี่ยต่ภาพเป็นรูปเป็นสัรดูว่า สิทธัตถะหมาทานอดุมาทานท่านได้ให้แล้วดังนี้พญาช้างซึ่งเป็นช้างทรงของพญามารก็สุดลงบริษัทมารก็ต่างก็พากันหนีไปทั่วในทิศานุจิศมารสองตนจะไปทางเดียวกันย่อไม่มีพากันทิ้งอภรรทิศิสะและพาธินุ่งคบแล้วก็หนีไปทางทิศของตอนนั่นเอง ที่พระโบราณอาจารย์บรรยายภาพลักษณ์ต่างๆเป็นตัวตนบุคคลอย่างเนี้ยเพื่อจะยืนยันว่ามารที่มาระจญในคราวนั้นเป็นพวกเทวบุตรเป็นเทวบุตรที่ออกจะเป็นพานนะฮะก็ไม่ใช่พานทาวรเพียงแต่ว่าสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็คอยค่สมรับพระโพธิสัตว์แล้วเาก็คอยขัดขวางลิตรอนตัดรอนไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันท่านบอกว่าในที่หลายแห่งกล่าวว่าพระธรณีไม่อาจนิ่งอยู่ได้เมื่อถูกพระมาบุรุษอ้างเป็นพยานจึงบันดาลเป็นรูปนาีิุตดขึ้นจากพื้นดินยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระมาสัตว์ ร, ร้องประกาศว่าข่าแต่พระมาบุรุษพระข้ า, ราพระองคทราบอยู่ซึ่งบุญที่พระองค์สั่งสมมาตั้งแต่ต้นด้วยว่าน้าทักษิโนโทก ที่พระองค์ทรงหลังเหนือพื้นปัตพีนั้นได้ตกลงชุ่มอยู่ในมวยผมของข้าพระองค์มากมายประมาณไม่ได้ข้าองค์พระข้าพระองค์จะได้บิดมวยผมให้ไหลออกมาไปจากแก่ในตาณป น, นี้มาแล้วก็บิดน้ําจากมวยผมให้ไหลออกมาน้ํานั้นมากมายไหลท่วมท้นเสนามาณทั้งหลายให้หลอยไปแม้ช้างคิริเมก็ไม่อาจยืนอยู่ได้ ได้ลอยน้ำไปถึงหมาสมุดทงทวัจฉัดชัยและจามอนทั้งหลายก็หักทำลายตกดังดับนั้นหมูเทสทั้งหลายเห็นพญามารและปุณมานีไปแล้วพระเทวดาจึงประกาศแก่พวกเทวดาหน้าพวกหน้าจึงประกาศแก่พวกหน้าพวกพุดจึงประกาศแก่พวกคุดพวกพรหมจึงประกาศแก่พวกพรหมกุมารปราชัยพ่ายแพ้แล้วประสิทธิ์ตากกุมารไม่ใช่ชนะแล้ว กเราจะกระทาการบูชาชัยชนะดังนี้ต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นมายังโพธิบัลลังเป็นสํานักของพระมหาบุรุษเทวดาในหมื่นจักรวาลที่เหลือบูชาด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไายยืนกล่าวสดุ ด, ดีนานับประการในการนั้นหมู่พรมหมู่เทพหมู่นาคและครุฑมีใจเบิกบานประกาศความชัยชนะของพระเมสีเจ้าณโพธิมันว่า ก็พระพุทธเจ้าผู้มีสิริทรงมีชัยชนะส่วนมารผู้ลามกปราชัยพ่ายแพ้แล้วนั่นแหละพรยามารเห็นเช่นนั้นก็ให้อาจจรยจ์ใจครั่งครามในพระเดชาหนุภาพครั้งนั้นพื้นหมาปัจพีก็ปั่นป่วนกำปนาหวันไหวมาเมฆก็ร้องครืนครั้นปานภูเขาจะถล่มทลายเทพเทวาก็พากันประโคมดุนตรีอยู่ลือลั่นทั่วจั ก, กรวาลก็โกลาหนสทานสะเถือน ภาพเหล่านี้ถึงสังเกตว่าเป็นภาพที่เป็นรู ป, ปรธรรมหมายความเป็นตัวตนของบุคคลเป็นเหตุการณ์เป็นดินน้ำลมไฟนะเป็นอากาศซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตบ้างเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติบ้างก็เป็นการบรรยายพรรณน า, นาด้วยพลังศรัทธา ก็แน่นอนว่าเรื่องบังเรื่องเนี่ยโดยแรงก็สศรัธทธาถานาดเชื้อพูดวิจิตพิสดารไปบ้างแต่ว่าก็จับประเด็นเนื้อหาสาระแล้วก็คือว่าทรงพระจนกเทวบุตระมานคือวัสวัตติมานล้วในาสุดก็จบลงด้วยชัยชนะท้านกพรนาต่อไปว่าบัดนั้นอัศนีบาทก็ฟาดเปรี้ยงลงมามูมานทั้งหลายต่างตื่นสนกตกใจกลัว กุฏานุภาพได้แตกไพ่กระจัดกจายไปแม้ปยามารก็เกรงพระเดชาณุภาพลบลีณาหน้าไปซ่อนร้นด้วยความเสียใจออกปากกล่าวสรรเสริญพระเดชาดิธานุภาพประดมมือนมัสการอยู่ชุลีว่าบุคคลใดในโลกและเทวโลกที่จะเสมอด้วยพระองค์ไม่มีพระองค์ทรงสัสรูเป็นพระพุทธเจ้ามีพระเดชรครอบงำสำนัหมู่มานจะขนสตว์ผู้ชาฉลาดได้ข้าม้นโอค ก, กันดาร บรรลุฝังมหานนรุพาณอันกเกษมสุขสวัสดีในคราวนี้แน่นอนโดยาการกล่าวสรรเสริญพระคุณของประมาบรุษในครั้งนี้ท่านกล่าวว่าพยามารจะได้สาเร็จสมโพธิญาณในการภายหน้าพระเมื่อพยามารหลบหลีกไปสู่เทวสถานที่อยู่ของตนแล้วในขณะนั้นยังไม่ทันที่พระอาทิตยาะสดงประมาหรุษก็มีพระไทยโสมนัต องค์อาจสถิตอยู่ณนะรัตนบัลลังก์นั้นโดยพระทัยมั่นคงไม่สั่นสายจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่วันวาพวกเราเทพ ย, ายดาครั้นเห็นพยามารแตกพ่ายไปต่างชื่นชมแท่ซ้องสาธุการกล่าวสรรเสริญพระคุณ อ, อยู่มิว่าพระสิทธถะเป็นมนุษย์ยังอาจเอาชนะแก่เทพระบุตรหมู่มารได้อนภาพเห็นปานนี้ควรที่สาวโลกจะได้น้อมเสียนลงบูชา โปร่งผู้เที่ยงที่จะเป็นพระบรมศาสดาของมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าพระจันทร์สว่างสวยปรากฏขึ้นแทนในขณะที่พระมาบรุษทรงกระทำความเพียรโดยมย่อท้อก็เป็นนั้นว่าพระมรุษได้ทรงชัยชนะพญามารและเสนามารตั้งแต่ยังไม่ได้สัสรูพระเป็นพระพุทธเจ้าโดยประการลัชนี เราจะเห็นว่าการผจญของปยามานั้นมันเริ่มตั้งแต่หัวค่ําก็เรียกว่าปฐมยามแห่งกระตรีก็เป็นรูปของการขัดขวางขัดขวางตัดรอนมันก็เริ่มตั้งแต่พวกเรื่องที่ที่ประทับแล้วต่อเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอย่าลืมถ้าหากว่าไพา่แพ้ต่ออธิษฐานเนี่ยในทในสุดเราจะก้าวหน้าอะไรไม่ได้ อย่างการไม่บัตปตนของเราเราพุทธบริษัททั้งหลายที่จริงก็มีลักษณะอย่างนั้นเราไม่ต้องดูอื่นไกลว่าการสมาทานศีลก็เป็นลักษณะของสัจจะปฏิยานทือเป็นรูปของการสาบานตนประกาศตนยืนยันสถานภาพของตนว่าจะรักษาศีลสมาทานศีลอย่างนั้นก็หลังจากได้สมาทานไปแล้วโอกาสที่เราจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดเวลาที่กําหนด ต, ตามสถานภาพของศีนี่เราสมาถทานเมันจะต้องผ จ, จนกับปัญหาอุปรสรรคลักษณะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ความคิดที่เป็นขัดศึกต่อกุศลนั้นจะเกิดขึ้นขัดขวางริดรอนตัดรอนกันด้วยประการต่างๆและมักจะกระซิบใจให้มีความรู้สึกว่าการรักษาศีลเหือนการทำลายโอกาสเป็นการสูญเสียโอกาสของผู้ที่รักษาสี แล้วจะขู่ด้วยความทุกข์ภัยอันตรายขู่ด้วยความยากไร้ต่างๆแต่ยกตัวอย่างเช่นความคิดที่ว่าถ้าไม่โกงก็จะไม่รวยถ้าต้องการรวยก็ต้องโกงถ้ามันตอกย้ำอยู่ภายในใจองคงเรื่อยในสุดสัจจะปฏิญาณที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะรักษาศีลเนี่ยมันก็จะถูกทำลายไปด้วยโลภะ แต่โลภ้าเหล่านี้จะมาในรูปของคล้ายๆกับมิตรคือเราดูแล้วเหมือนกับมิตรเนี่ยนะกระซิบใจก็เรียกตัณหาปู้กระซิบใจตาต้องการรวยต้องโกงนะถ้าไม่โกงจะไม่รวยนะแล้วก็ย้ำย้ำย้ำย้ำอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจเราก็อ่อนไหวนะฮะเพราะว่าภายในใจมันมีกิเลสตัณหาอยู่เยอะแล้วก็สุดรากจิตใจเราให้ไปตามกระแสตรงนั้นเพราะการต่อสู้กับมารทั้งหลายเนี่ย ส่วนใหญ่เราเองเราจะต่อสู้กับพวกคือพยามานั้นได้มาเล่นกับประชีประซอยอย่างพวกเราเหรอกมันก็มีกิเลสสมานมีขันธมานะครับมีมัจจุมานมีอภิสังขารรรมานคือพวกสี่อย่างเนี้ยส่วนมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิเลสสมานซึ่งเราถือจริงๆมันก็เป็นเสนามานก็เรียกมาราเสนาเนี่ย สามารถที่จะทำลายขัดขวางริรอนตัดรอนทำห้เราไม่สามารถจะเจริญก้าวหน้าในทมวินัยได้แล้วให้ลองสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเดินหน้าไม่ได้เต็มที่ทจะสมมติว่าเกิดกุศลและเจตนาต้องการมีส่วนร่วมแบ่งเบาความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่พี่น้องทั้งหลายซึ่งถูกน้ำท่วม พอได้ยินการโฆษณาเ ช, ชิญชวนจากส่วนนั้นไอ้วูบของจิตเนี่ยมันอาจจะเกิดคิดบริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนได้แต่ว่าเอาควาจริงแล้วเนี่ยมันจะถูกตัณหากระสิบใจห้ามใจเอาไว้ต่อรองเอาไว้ประรอนเอาไว้มีข้อแม้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเราอ่อนแอไปเรื่ค่อยทำวันหลังดีกว่าตอนนี้เงินไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาข้างหน้า แล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ทำเพราะวกิเลสเหล่านี้มันจะมามันเป็นเสนามาแต่ว่าจะทำหน้าที่กระซิบกระซาบจิตใจถ้าบุคคลมีจิตใจอ่อนแอแล้วก็จะอ่อนไหวไปตามกระแสของพวกมาและเสนาเหล่านั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในสังคมเราเราก็แพ้ๆต่อมาแต่ว่าไม่ใช่ตัวพยามา เตือลือมัพยามา น, นั้นเขามีกระบวนการคิดที่มันเป็นระบบแล้วก็แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะซึ่งมันผิดกับกิเลสนะมันอยู่ภายในใจเราเนี่ยเราคิดเองเราคิดว่าเราชนะเราก็ชนะเราคิดเราแพ้เราก็แพ้เราคิดมันใหญ่มันก็ใหญ่เราคิดมันเล็กมันก็เล็กแต่พยามานเราสังเกตว่าตอนเกี่ยวมาพยจรมาโดยศัตรูที่เต็มรูปแบบเลย ต้องการจะขัดขวางเต็มที่แต่ในที่สุดเมื่อมาพิสูจน์ทดสอบกันไปโดยลำดับเรื่ดับแล้วเพราะท่านเป็นเทวดาวสวรติมาเนี่ยเป็นเทวดาชั้นประณมมิตรวสวรติก็เป็นผู้ประเสริฐทีละเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความดีงามจริงๆที่พระโพธิสัตว์ประสูตพิสูจน์ได้เห็นพระตรณีเป็นสักขีพยาน แล้วก็แสดงถึงบุญญาธิการให้ปรากฏมีเดชานุภาพที่ท่านไม่อาจสัตย์แต่ท่านทานได้ก็ไม่โกรธไม่แค้นไม่อาฆาตพยาบาทอะไรยอมรับนักถือแล้วก็ยกย่องสรรเสริญพระโพธิสัตว์จงตอนนั้นที่จริงยังไม่ได้จัดสรู้นะยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้จัดสรู้แต่ว่าอีกราวเวลาก็ไม่กี่ชั่วโมงก็จะจัดสรู้ เรามักไปพูดว่าเป็นกิเลสสมานไอ้กิเลสสมานนั้นที่จริงก็ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกิเลสสมานโดยถ้าเราลองดูสังเกตว่าตลอดระยะเวลาหกปีที่พระโพธิสัตว์กำลเป็นเพียรอยู่เนี่ยพยามารออกสองครั้งแต่นั้นเองเกือครั้งแรกก็ตอนห้ามให้สเสด็จออกพนวดเมื่อพระโพธิสัตว์เอาชนะได้ แล้วต่อมาพระโพธิสัตว์ก็ลงทางในการปฏิบัติไปทรมานร่างกายบาเพ็ญทุกล ก, กิริยากันด้วยวิธีการตา่างๆปยามานก็หายไปไม่เคยปรากฏตัวแล้วตอนตอนเช้าเนี่ยฮะก่อนที่จะรับข้าวมาทุกปายาตก่อนที่จะลอยถาดก่อนที่จะทิฏฐานอะไรอะไรเนี่ยปยามานก็ไม่เคยปรากฏแต่ตอนที่ทิฏฐานเป็นจารุรงค์กมภะทานนี่ย คือเรเห็นว่าสแสดงว่าไม่หวั่นไหวทั้งกิเลสมานทั้งมัจจุมานทั้งอภิสังขารมารและทั้งขันดมารและจะเอาชนะให้ได้วันมารตัวใหญ่ก็ออกลงเองเอามาปฏิบัติขัดขวางและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามารอื่นมารเล็กมารน้อยถูกปราบไปโดยพลังของรูปฌานทั้งสี่เนี่ยมารประเภทที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจเนี่ยมันหมดแล้ว ที่เ ร, เรียกว่า น, นิวรเนี่ยเพราะว่ารูปประจานทั้งสี่รูปประจานสี่เนี่ยมันมีอารมณ์อยู่ห้าข้อคือวิตปปัจจานปีที่สุขเอแกะกตตาและกิเลสสารพัดกิเลสเจยกชื่ออย่างไรก็ช่างมั น, นที่มันเกิดขึ้นทำปฏิริยาต่อจิตเนี่ยท่านเรียกใหม่เป็นชื่อใหม่วันนิวรนคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นอุปสรรคขัดขวาง ไม่ให้จิตรับความดีได้เต็มที่หรือไม่ความดีเข้าไปสู่จะแสดงออกจา ก, กจิตได้เต็มที่คือหมายความว่าในช่วงนั้นเราจะแสดงความรู้ความสามารถคุณธรรมออกมาก็แสดงไม่ได้เต็มที่และจะซึมซับจะรับเอาสิ่งดีงามต่างๆเข้าไปสู่จิตก็ทำไม่ได้เต็มที่เพราะตัวนิวรณ์มันเป็นขัดขวางเอาไว้ตำหนที่ขัดขวางเอาไว้ ดังนั้นพวกนี้ก็สงบไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วสิ่งที่พระพธิสัตว์จึงต้องเผชิญจริงๆนะในขณะนั้นเวลานั้นนะที่จริงยังไม่ได้บรรลุปุเพนวาสสันตะิญาณก็ได้สยบพวกกิเลสประเภทประเภ ท, ร, เทรุ่มรุมจใจไปหมดแล้วแล้วสภาพพระไทยพอผ่านพวกมารพวกนี้ก็อยู่ในจุดที่เรียกว่า เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศ จ, จากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็เกิดปุดขึ้นภายในพระไถยของพระองค์ไปตามลาดับต้องฟังทั้งหลายแต่รมประพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี